Thank you. เลยก็แต่ธาตุมันเป็นเลยหรือ้าตุเราก็มาดูกันดองเมื่อมาดู้อออมนนอออานานใช่ไหนได้เอาทิ้งมันออกมาอยู่ตร้นี้ทิ้งมันออกมอยู่ธาเวลามันแช่ไหนได้เวลาเราทิ้งกลายเป็นเรื่องดีมันเป็นต บ, บะไม่ใ <c> ช <oughs> ่ทิ้งเหมือนขยะ การกิ้งเดจนาสัญญาจนแต่ไม่ยา น, นการทิ้งธาตุเป็นการพัฒนามนานม า, ม า, ม า, มาดูกันดีกอ่างกลายเป็นเรื่องดีนะไม่ ว, ว่าจะหายใจนักก็รหายใจไม่ได้เมื่อหายใจไม่ได้จะหายใจทำไมเพราะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าหายใจทะเลมันเยอะมันจะเข้าทสเล มันไม่มีแรงค้าวเลยอ้าวนไม่มีแรงค่าเสร็จเะไปข้าวมันได้เอาทีเอาอยู Julia, ่ก like so like oh, well, uh ็เจียวทิ้งเจียวดูเจียวทิ้งก็ช้เอาปะมาณแล้วการมันช่วยตัวเองได้ยังไงหลพ่อายมันช่วยตัวเองได้โอ้การเก้าทิ้งนี่มันเป็นเรื่องดีมัเป็นระบบมันเป็นชานมันเป็นเครื่องเผามันเอาต้งเชื่อโลก ท้าเราก็หวงว่าเออเราจะหายไปยังทำไมเราเป็นอันนี้นาะหวงโน้นหวงนี่ทำ น, นี้ไม่มทานเลยเพราะอารมณ์เขาทันเที้ยงท่าบาตั้งแต่ตตเร่มต้นเล็ดเล็ดเม้นแพร่เทียบท่าให้เดือด้นตอมเทีย่ยงหาฟองอิดช้าไปบาดหาฟองรัดฟอตั้ง คนนั้นคนนี้สองสามหัวคนนี้คนนี้ไม่เทียบาูเทียบนะเบยดูที่ไหนเทียบหมดเหมือนเลยที่ภาให้ะตกกระเทียมแล้วก็สะดวกดีวันสะดวกตรงนี้มากที่สุดสะดวกตรงไม่รอคอยใกลคอยอ รู้จักวิถีวิตลอยคอรบบชีวิตลอยคอชีวิตที่แบบว่าไปไได้แล้วเขาแบบถ้าคนดื่นเขาไม่ฝุดจนเราเขาจะไปได้อหรออ้าวเป็หน้าที่ของเราต้องสอนเขาสอนยังไงอ้าวอยยังไงเลยเนี่ยมีสิต ถ้าเขอหัดเมื่อเวลาเขาหัดแล้วก็จะไปเขขอได้าหมือนเาที่ในประสบกามณ์จะได้บทเรียนโดยดื้ีๆพอมาตั้งทาางานดูแลมัน่คยยินจากโรงาบางดูกว่าหลวงพ่อตีห้าไลนะ เอาเทียนแล้วก็ดีมาก้าเอาเทีเยนเทียนอะไรไม่รู้เรื่องอ่าแล้วก็อดเป่า b a n a นหลายชั่วโมงหลายวันแล้วนแม่ปวดเอาเต่ากล้องอเลยจะมาดูท่าอีกทีทา่าดินปฏิสีต้า ผมคนเล็กคนหนาเมื่อเอ็กรดูเยื่อหนกระดูกหม้ไมายใจตับตับสุด่ใหญ่ใจน้อหาไหนางเขาดินต้องช่วยดีทั้งก็มาบอกกันด้วยกันปวดเผากระดอะไรที่เป็นของเสียที่เกิดใดินดินต้องเอาออกอไที่เป็นของเสียที่เกดในน้ำน้ต้องออกอไที่เป็นของเสียที่เกิดในเลือดเลือดตอ ลมขึ้นลมบนลมพัลงต้งต่ำลมไในพอกลมไหนใกล้มพัดไปกระเจลมมาดูลมออปลอดก็ยังดีกลับมาดูไม่ยังจะได้มมาดูดินกันใจเบาพอบอกว่าจะบอกตอนที่ไต้ดิเคย ทำบนเตียงเลยมีเด้กผู้หญิงเป็นแล้วก็พ่อมาขึ้นมาเขาก็บอกเขาให้เขาบอกเขาเอโล้เลลนเลยเลียงหมดเลย <c ười> <c ười> โอ้หลวงพ่อเยอเลยหลวงพ่อกันมาหลายวันโล้นหมดหมดเลย แม่ว ok no ่อก mm ั hmm. barking, ้นเลยว่ามันไม่ออกเองม่หล่กั้นกั้นสีด้วยมัมันตายไปแล้วมันตายไปเลยชแลวอกั้นเลยแต่าเบเริ่มเอ็เอว่าเปลี่ยนที่นน้ขากว่าเปลี่ยนที่นานได้ก็มาดูโรงพาบาลเขาบอกว่าออกเจนดีออกเจนอะไน้อ ต่อที่ไม่ถึงการหายยัก็มาหายยัเดีก็หายยังก็หายยัมาได้ดีไม่กวรหายยองไม่ดีนะต่อที่ยื่นยื่นถ้าจะเตียบต้องเหมือนแต่เงินยี่สิบบาทไปาจะต้องเดินทางที่สิบวันปรยัดต้องดูที่ ถ้าเราไม่ได้จับประหยัดอะไรเลยเนะ่ยมันก็ไม่ดีนะการประหยัดลมการประหยัดลมเป็นเครื่องสุวลาจมน้ำเนี่ยหลวงพอเคยจมน้ำหน่งนั้เด็กหลวงพ่อเคยจมน้ำครั้งหนึ่งเคยจมน้ําก็้งนึ่เวลาเคยจมน้ำประหยัดประหยัดลง แล้วก็เวลานก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงเวลาคิดถึงคุณพ่อแม่มันก็ลื่เลยไม่รู้จับตัวเองอยู่ในน้านบ้อะไรก <c oughs> ็ทกมันก็บระดมือเลยอนอยู่น้ำนะเรานอนอยู่ได้รห ที่เห็นมันนำแต่เรามีควจะไปห็นน้ำได้ไงดิ้นด้ไหมดูสิเพราะว่าขณั้นมือยงอยู่แบบนี้คิดถึงคนพ่อคนนูนแดิ้นแทบจะหลุดไปเลยกำลังวานะกำลังพอครั <c oughs> ้งหนึ <t <iders> <t ่งก็ตกกระตีกรตีฟา กระโดกที่กงหักไจสองที่เพราะหายแดงก็เสียงถ้าได้แหลนลงหายแดงแหลมแหลมค่อยสอดสอดลงไปถึงสอดตั้งไม่ถึงด้ก็หอนออกมาแหลนดีกว่าเกงก็แหลนก็ใส้สอดลงไปนะถ้าออกมันเป็นแหลี่เถียม ถ้าเกิดกัดยุ่งๆตายแค่เด็กนี่เขาหันใจเขา่ว้นปรหยัดประหยัดลมใช่รองเรื่องร่างกายสว่างให้หมอองั์แพกย์ตาจัดหายแล้วก็ใ้พ้อปู่หลวงพ่อเห็นโรคราย เกิด้อนเนื้อในตะปอดให้ยา ร, ารับษาดีใจนานมนาะไม่ระทุกเดือนเลยแต่ว่าหม อ, อ, อความพ้นแปไปก้อนเนื้อดีตาปอดมาขยายไปจากคอเป็นก้อนเนื้อโตเดือดถ้าเป็นก้อนเนื้อเจริรักการได้เอาเีบบงตัวใหม่ ทีดลงไปอยาไปรักษาหลวงพ่อโดยยี่เลยทันทีพระเจ้าขอปฏิเสธเอาใจงูตัวใหม่ทีดรักษาคนมาหลายรหายครับมองทีกว่าเกิดโรคบางอย่างรักษาหายไม่ได้โรคบางอย่างรักษาหายไม่ได้เจงเชื่อม เนี่ยก็เขาก็บอกว่ายาจีโมตัวใหม่เห็นหนึ่งเป็นเศษๆโอ้เงินเป็นเศษเป็นด้านเรามาใส่เฉพาะนเัาแต่คือแค่คนไทยส่งลูกสาวลูกชายเรียนเนหมอสร้างโรงพยาบาลเป็นเงินเป็นทองแล้วกับคนเมืองไทยมาช่วยเราทั้งหมดเราจะทำยังไง เราเป็นนี่แต่ที่เขาภาคที่ก็ตาหนี่เราไม่คนตายนี่ควที่จะใชนี่บอสวิธีใช้นี้ของเราคือการสอนธรนมะดีไหมเราบอกเลยตรงนี้ดีกันหนึ่งวิธีใช้หนี้ของเราคือผูกบัตรผู้เชี่ยวชาญผูกบัตร <laughs> <laughs> <laughs> พอฟักคิดดึงพัฒนาเนี่ยแล้วก็คิดไปแล้วก็มาดึม่มารล่นตัวจิตตัวปวดต้อก็ระอยู่์เพระว่าไม่ประโยชน์ระมานก็เน็ดเหนื่อยโอ้พวกเราเราเมื่อเราป่วยนะ ใ, ใช้มาคิดเดรื่องปวดให้สบาคิดเรื่องใจสอนธรรมะให้ดูแลย้วย มาพักมาพักอยู่กับพรออออ่อว้ดมาเป็นยังไงอยู่ว่าก็เขียนนังถือโลดได้คนโรคภัยที่น่องไปก็เขียนมือถือบอกไปเรื่อยๆลานี่ทั้งก็เป็นอิจฉาคนโดมมากที่สุดทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง ความทุกความเดือดร้อนความอะไรให้มีหรือว่าเป็นท่วสุขสุดยอดของชีวิตของงพอแล้วไม่ต้องับอะไรทุกคนขอาพาสัหับบ้านหลวงพ่ไปสลาโสดแะเสียมม ห, นหนี้ที่ร้อยอะได้กอ้ ขะอยู่ทั้งหายจะอยู่สองสามวันหนึ่งประสบกรมเยอะแยะต็มไปหมดเลยแต่ตอนที่เวลาตอนครั้งแรกหลวงพ่อที่ว่าอ่าอยู่ๆร่างกายเราไม่เคยเจอเคโมเนี่ยเห็นหลวงพ่อบอกว่าไอเคโมีเข้าไปกระทาอะไรตกายแล้วหลวงพ่อเห็นอะไรไ้ยไม่ เ, เค้ตกระลึงเหี้ยแต่หมอเขาก็าบอกว่าหลวงพ่อ นิดเดียวเขาหลวง่าเป็นส้นสองวันแล้วไปทำยังไงทำยังไงอิจฉากระทุ่นก็ไม่ขึ้นเด้งเรไม่เรี่กเขาม่เกขึ้นตามก็ตายได้ลราโสดใช่ซ้อนเราวาเป็นเรือนตรงนี้ก็ไหกระทุ่นมาอวันทีสามน้องใหญ่เขก็มานะรับว่าเดี๋ยวก่อน ดีกวันตรงกันจะขึ้นมาได้พรหลับหงอเนน้อยไงโวยวายได้ถ้าหลับหง อ, อีกใหญ่นมะ่เป็นไรอย่างหงอคนหนึ่งไม่ค่อยบางพูดประจาศเลยนะคุณโมรู้จักไหมคนคนที่มาไม่ใช่คนหงอหอรมณ์สาบเขาต้องบอกร่าพูดตั้งแต่ คนที่ใส่ท่อให้คนที่ใส่ท่อให้แล้วก็มาดูพอเอามาดูแล้วก็ว่าล้งคุณหมออยากดื่ไม่ต้องดูแลแล้วให้ดูแลเรื่องอาหารเป็นที่เดียวแล้วก็เขามาจัการที่เรื่อารคัวต้องในหมา พอที่จะเรื่อนงานทักงานแบบน้นงานไม่ได้นะพอเขาก็ั้งใก็ไได้ต้องเกไดปัญหาเลยางทางเดินอาที่หมอสมบัตเขามีแล้วแต่ว่าหลวงพ่อเป็นอะไอขอห้องไอซีโูได in ้มก <PER. S 1> okay. ่อนขอห้องไอซีโอได้ไห เขาคอมข้อคอมเพนเตอร์คอมพินเตอร์เอ็กเซลเลยเป็นวงว่าเขางตายไปแล้วหายไปแล้วว่เขาออกกระวงเลยนะไม่ได้ม่ได้ต้องทำอะไรฮะก็ไม่ต้องหายแล้วเอาไม่ไม่ช่วยอะไรฮะไม่ช่วยไม่ช่วยกายหรือว่าถ้ามีศักยาพในตัรวเอง กาที่ช่วยไม่ดีนะไม่ดีหรอไม่ด so ีก็เอาที่ง่ก่อนก็มานอนบนเตียงมานอนบนเตียงหอกขาชเวลานี้เอยู่ตาเนี่ยงอ้วกนี่ผมจะให้อออกเข้าไปในเตียง้าอกเไมไม่ได้ เราจะเป่าของลมได้ไหมถ้าหลวงพ่อหายใจถ้าหลวงพ่อหายใจไม่ได้เขามีเด็กกังหันโค้งอันใหญ่ต่อพ่อเด็กนะจ๊ะตาลายแล้วก็ได้ไม่ไม่จะไม่ตื่นพ่อต่เตพ่อมาใส่หายใจดูหลวงพ่อโอเคไม่ตื่น แล้วก <mind. werk> ็เอาตรงลมหายใดลงมูช <Son> ิงด้ก็ไม่โอเคพอดีแม่ก็พักนเขาใจพ่ตอนไหนไม่ได้เนาะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวแล้วแล้วใจมัอยู่ไหนตรงนี้ตอนไม่รู้ตัวนี้ใจไปกันไหนแล้วอะไร ใจไปไปไปไปไพักด้วยอยู่ตรงไหนครับอยู่กับเพราว่าก็ไม่เต็ตรงนั้นเลยครับ้นดงว่าตาแหน่งนั้นมันไม่มีไม่มีอะไรเลยนชไม่มีอะไรสินินต์อไรก็ไม่มีัีไม่มีไม่มนงิ้ไม่มีอะไรไม่เต็นอะไรกอะไราวยว่าไม่มีไม่เต็มก็อะสุดก็ไม่เต็มก็สุดก็เต็มกด ก็อยู่เป็นอุดตันก็อยู่ตรงนั้นโอ้มันไปสุดสุดแล้วเนเออพอได้ซ้อมใหญ่แล้วพ่อเนอะอ่าแล้วเข้าออกข้าออกม่เขาเรียกว่าชันก็ได้การเข้าออกการเข้าการออกการเข้าการออกมันจะเสร็จถ้าเป็นการก็เป็นกาน มีแต่ดีว่าปรยชนมีดีว่าสูงสุดการไม่มีเป็นการทีสูงสุดไม่ใช่ิดตุกยาติดปิดตุกแค่เวลาทานเท่านั้นเองให้ตั้งยาเวรับดั้งยาเวรติดตั้งยาเวรติดตั้งยาเวรติดตั้งยาเวรติดตันงยาเวรติดตั้งยาเวรติดตั้งยาเวรติดตั้งยาเวร ตอ้มนยงพักอนพนะักกออนนงานผักเลมทุกคนยาแเกินหูยากเดอี้ยากเกหูอยู่ววกคน